จิตใจนี่ก็มันมีกิเลสคอยครบกวนอยู่อันคราวใดมีสติสำรวมตอนอยู่กิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่มันก็สยกอยู่ในนั้นแหละพอเผลอเผอสติเข้าไปากิเลสมันก็โผล่หัวออกมาอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ว่ากิเลสนี่มันหายไปเมื่อไรอ่ะมันหลบซ่อนตัวอยู่เฉยๆเวลาเรามีสมาธิมีสติสำรวมจิตใจอยู่ <c oughs> ให้พากันตื่นตัวไม่ใช่ว่าคล้ายๆกับว่ากิเลสนี่มันมีตัวน่นเะน่ย <c oughs> เหมือนกับตัวโรคซึ่งแทรกซึมอยู่ในร่างกายของคนนี่นะ แต่ความจริงถ้ามันก็ไม่มีตัวรอกกิเลสก็มันเป็นเพียงไงแค่ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจเท่านั้นเองอ่ะถ้าพูดสั้นๆเข้ามากวานั้นก็นั่นแหละมันเกิดจากกิตที่ไม่รู้นี่แหละมันปรุงแต่งกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจขึ้นมา <c oughs> เหมือนอย่างเหล็กนี่นนะอันมันจะกร่อยมันจะกร่อนไปมันจะซึกรอไปก็เพราะสนิมอะสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กเองนะเนี่ยแล้วก็กัดกินเหล็กเองให้ซึกรอไปอย่างนั้นเนะี่ยอันกีเลสนี่มันก็เหมือนกับสนิมสนิมมันซ่อนอยู่ในเนื้อเหล็กนั่นเนะี่ย นี่ฉันใดกิเลสนี่มันก็ซ่อนอยู่ในจิตใจนี้เนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่อื่นเลยคิดให้ดี <c oughs> ดังนั้นอะบุคคลใดที่มาฝึ ก, กจิตให้ดีสำรวมจิตให้แน่วแน่ไอ้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะกิเลสไม่ได้ช่องเลย <c oughs> ดังนั้นจะไปอยู่ที่ไหน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 ถ้าหากว่าบุคคลใดขาดการสำรวมจิตนี้แล้วมั่นจะมีความรู้มากมายหลายเท่าใดมันก็ละ ก, กิเลสไม่ได้เหมือนอย่างบวชกันเข้ามาศึกษาเร่าเรียนจนได้เป็นมหาป ร, รีญญแปดประโยคเก้าประโยค น, นก็ยังศึกษาลาเพศไปครองเรือนอยู่ของเก่านั่นแหละ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 ขั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันจะมารบ ก, กวนจิตใจเช่นนี้บันคนนึกถึงธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนั่นขึ้นมาได้เมื่อธรรมนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วกิเลสนันก็ถอยไปในกายนี่แหละ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 เมื่อเห็นเขาแล้วก็สำคัญว่ารูปนั้นสวยงามข้อผิวพรรณมันผุดผ่องขึ้นมามีท่านนี้แหละที่ทำให้คนหลงรักหลงใครในรูปอันนี้จนเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีลูกมีหลานขึ้นมาแล้วก็ ต้องมาหาเลีย้ยงกันแสนทุกแสนยากเมื่อมีมากๆเข้าไปแล้วยิ่งอัตคัดขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าบุคคลใดมาเพ่งพิจารณาดูรูปร่างอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ไปแตะต้องแล้วไม่แสวงหามันแล้ว แสแวงหาทางกายก็ไม่สเสแวงหาสสแวงหาทางใจก็ไม่แสแวงคือไม่ได้คิดส่งไปใส่ไปหารูปสวยรูปงามที่ไหนในโลกเพราะว่ามันไม่มีรูปสวยรูปงามถ้าเพ่งพิจารณาตามความจริงแล้วอันที่ว่ามันสวยมันงามนั่นเป็นความหลงของจิตต่างหาก อันนี้แหะเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบาปทำกรรมตายแล้วไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นก็เพราะความรักความชังนี่แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญมากอย่าว่าแต่เพียงว่าจะให้สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ดีๆเท่านั้นเลยมันยังไปบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าทู้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 เนี่ยเป็นเหตุให้คนเราไปทำบาปไปล่วงศีลกรรมเมสุวิชาจาย์เข้าไป <c oughs> ไปเสวงหาเงินทองโดยทางทุจริตเพื่อให้ได้มาบำรุงปนเปื้อกรรมคุณเหล่านี้ให้ได้สนุกส น, นานเต็มที่เราคิดดูคนเราทำบาปทำกรรมไ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 แน่นอนทีเดียวแต่คนส่วนมากนั่นมันสู้อำนาจแห่งความโลภความโกรธไม่ได้เอตันถึงได้ล่วงพุทธบัญญัตินั้นไปถึงจะเป็นบาปก็ยอมก็ยอมรับบาปยอมรับเอาบาัติอาบาปนั่นเลยอย่างนี้ะคนส่วนมากนะ ลองคิดดูไม่ใช่ว่าบาปมันมาสวมเอาตนเองไปสร้างมันขึ้นดัางหากสร้างมันขึ้นเพราะความโลภความโกรดนี้แหละผู้ใดได้บรรเทาความโลภความโกรดนี้ลงจา ก, กจิตใจแล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมเวรดังกล่าวมานั้นเลย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 อยู่ได้ไปจนตลอดชีวิตลองพิจารณาดูถ้าหากว่าบุคคลผู้ระเว้นจากบาปตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างนี้แล้วก็เลยจะทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้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 เดี๋ยวว่าละบาปได้ดเป็นสมุเฉทฐ์พหารไปเลยละขาดไปเลยเดี๋ยวว่าจิตใจของพระโสราบันนั้นไม่สร้างบาปขึ้นอีกแล้วแต่ละท่านก็ยังทา ม, มาหาเลี้ยงชีพอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอยู่เหมือนกันก็อยู่กันได้ไปจนตลอดชีวิตนูน ยังทำมาหาที่ยังชีพได้ตามปกติอยู่แต่ท่านแสวงหาโดยทางสุจริตอย่างเดียวทางทุจริตไม่เอาเลยถึงว่าเมื่อทำไปในทางทุจริตแล้วมันจะร่ำรวยเงินทองมากมายท่านก็ไม่ทำาพระโสดาบันนะเป็นอย่างนั้นจะทำไปทำไมพระโสดาบันท่านมองเห็นขันหานี่แจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้ว ก็ขันห่านี้เป็นของไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับอยู่บังคับไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะใช้มันไปทําบาปกรรมทําไมอ่ะในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่ไม่จรังยั่งยืนอะไรเลยถึงเมื่อใครจะหาอาหารอันประณีตบรรจงเท่าไรมาหล่อเลี้ยงมันมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันเป็นงั้น นักปราชทั้งหลายผู้มีปัญญาแล้วท่านคิดเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงไม่ใช้กายไม่ใช่วาจานี้ไปทำชั่วไปล่วงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อสละความชั่วนั้นออกจากกิจใจแล้วใจเบิกบานผ่องใสแล้วมันก็มีปัญญามันก็มองเห็นรูทางที่จะทำมาหาเรี่ยงชีพโดยทางสุจริตได้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 อยู่อย่างนั้นในสัตว์นรกนะเมื่อกรรมมันเบาเข้าไปแล้วเอามันก็พ้นจากนรกหลุมใหญ่ผนมากตกนรกหลุมเล็กอันที่ท่านเรียกว่าหลุมอันเป็นบริวารของหลุมใหญ่เมื่อพ้นจากหลุมเล็กนั้นแล้วกัดแสดงว่าพ้นจากนรก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 ร่างกายก็พิกลพิการต่างๆบาปกรรมมันแต่งเอาไวไม่มีหรอกรูปร่างเนี่ยมันจะสวยงามเหมือนมนุษย์นี่มีแต่บันที่ร้ายคีเลวทั้งนั้นแหละพวกเปรตทั้งหลายนะไม่มีข้าวไม่มีน้ำจะ บ, บริโภคก็เพราะว่าแต่เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้ให้ทานเลย ให้อย่างนี้เดือนหนึ่งปีหนึ่งอย่างนี้นะไอ้ครั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้นะมันจะได้บุญอะไรมากมายเท่าไหรแล้วนั่นไงที่มันจะได้บุญมากมายได้ก็เพราะว่าได้ให้ทานทุกวันทุกวันอย่างนี้นะแ้่บุญมันเกาะถึงแม้เราจะให้ทานไม่มากแต่และน้อยลน้อย ตามกำลังทรัพย์ที่มีอย่างนี้มันก็ได้บุญน้อยแต่เมื่อทำบ่อยๆมันก็มากขึ้นในตัวพระศาสดาเปรียบเหมือนน้ำน้ำหยดชายคาน้าฝนมันตกลงมามันหยดชายคาทีละหยดละหยดเท่านั้นแหละเมื่อมันหยดไม่ถอยอะตุ่มใหญ่ๆมันก็เต็มได้เหมือนกันนะมันเป็นอยงนั้นฉันในการ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 การอ น, นิสง์แห่งการให้ข้าวน้ำเป็นทานนี่มันเมื่อเกิดไปชาติใดนี่อ น, นิสงฆ์เหล่านี้จะไปตกแต่งร่างกายให้ว้นวนท้วนสมบูรณ์มีกำลังเรี่ยวแรงดีถ้ามันคิดได้อย่างนี้โอ้ยมันก็ขนข้ายทานลื่อยไปทำไมมีถอยอถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้แห้งได้ทานหลาย นักบวดบินถบายมาฉันได้พออิ่มท้องมือเดียวเหลือนั้นก็ให้ทานไปหมดเลยเนี่ยนักบวดยิ่งได้บุญหลายให้ข้าวเป็นทานให้น้ำเป็นทานลองคิดดูอย่างนี้เนี่ยไอบ้บุคคลผู้มีร่างกายสู้ผอมไม่มีกำลังเลี้ยวแรงอะไรนั่นน่ะนั่นแหละ โทษที่ไม่ได้ให้ข้าวให้น้ําเป็นทานนะให้ก็ให้แต่เล็กแต่นอ้อยอย่างว่านั่นนะมันไม่มากพอที่จะตกแต่งร่างกายให้อ้วนทวนสมบูรณ์ได้บุคคลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์อ น, นี่อานิสงส์ศีลแะไรก็ไปรักษาชีวิตของบุคคลผู้นั้นในชาติต่อไปให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวนานในภพที่ในชาติที่เกิดนั้ น, น, น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 อนนรสงภาวนาก็ทำให้ผู้นั้นมีสติมีปัญญาเฉียบแหลมเกิดไปชาติใดก็ดีจะไม่หลงมัวเมาติดอยู่ในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขกายสบายใจชั่วคราวเหล่านี้เมื่อได้พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมแล้วก็สา ม, มารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้คือว่าสา ม, มารถละอุปทานในขันหานี้ได้พูดง่าย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 มันมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ในใจมันไม่ถือมั่นว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนพ่อมองเห็นมันไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับเมื่อไรก็รู้ไม่ได้เอเด้นใจของท่านจึงได้ไปมั่นอยู่ในบุญในคุณนุนเชื่อความเชื่ออันนี้ร้อยเปอร์เซนตเลยท่านเรียกว่าอาจารยศรัทธาแปลว่าความเชื่อไม่หวั่นไหวเลยร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปวนไปยังไง จิตใจก็ไม่เศร้าโศกไปตามเพราะว่าใจทัานมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ที่พึ่งอันเป็นแก่นสารแล้วนี่ให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีดังนั้นในพระศาสดาจึงได้ทรงสอนในคนเราทําที่พึ่งให้แก่ตนให้ได้สร้างที่พึ่งขึ้นในจิตใจให้ได้กับร่างกายนี้เราพึ่งมันได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ต้องแตกแตกทําลายลงเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี่เราจะไปลังเลสงสัยอะไรเล่าเรามาสร้างกุศลความดีให้มากขึ้นในดวงจิตนี้ไปนะครับนี่แหละบุญกุศลนี่มามาสร้างมากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็สอนจิตให้ปรงให้วางขันห้าี้ลงไป นั่นแหละมันจึงสามารถบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้ดังแสดงมา